ขอนอบน้อมต่อคุณพระัตนตรัยขอากาศพระอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนสตรีมิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านนะเราก็ช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงปีใหม่เนาะปีใหม่ก็แสดงบางอย่างให้เราเห็นนะถึงการเปลี่ยนแปลงจากปีเก่ามาสู่ปีใหม่นะ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มากนะแต่ก็ถือว่ า, ามาีบางอย่างหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเรานะสมมตุติตอนนี้เราอายุห้าสิบเก้าแล้วก็อายุหกสิบแล้วเนาะแก่ขึ้นมาปีแล้วนะมันหนีไม่พ้นหรอกใช่ไหมแล้วก็เป็นความเปลี่ยนแปลงนะหลายๆอย่างนะบางคนอาจจะเขียนปีผิดนะใครเขียนเช็คนะบางคนเขียนเบิก หนึ่งกุมภาพันสองพันห้า้อยห้าสิบหกเสร็จเลยนะเช็คนี้ใช้ไม่ได้เลยนะอในเดือนแรกๆนี้ต้องเปลี่ยนเช็คเป็นแถวนะเพราะว่าเราลืมลืมไปนั่นเองนะหรือว่ามันเปลี่ยนปีแล้วเนะี่ยในช่วงปีใหม่จริงๆแล้วก็เป็นความเปลี่ยนแปลงเราหลายๆอย่างเนาะแต่ก็ขอาเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็นแล้วกันนะสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไปในปีเก่านั่นแหละไม่ต้องตามมานะ สิ่งไม่ดีทั้งหลายทิ้งไปให้หมดเลยนะถ้าเราตั้งใจทิ้งก็คงจะทิ้งได้นะแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจทิ้งทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมก็แสดงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรานะเพราะว่าปีใหม่แล้วก็ชื่อว่าเป็นสมมุติแต่ก็เอาสมมุตินี้มาทําให้ไปประโยชน์ในการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นเนาะคราวนี้นะถ้าพูดถึงในความเป็นไปของโลกทุกวันนี้นะก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง แต่ความเปลี่ยนแปลงนี่สำคัญก็คือจิตใจคนเรานี่เปลี่ยนแปลงไปมากมายนะอย่างในประเทศไทยนี่สมัยก่อนคนก็เป็นคนใจเย็นนะมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะมีความเมตตากรุณานะสมัยก่อนตอนอาตมายังเป็นัยรุ่นนะเคยไปเที่ยวเชียงใหม่ปรากฏว่าตามหน้าบ้านคนนี่จะมีเป็นตุ่มน้ำนะตุ่มน้าตุ่มเป็นแบบดินเผานะแล้วก็มี ที่ตักน้าเป็นกระบวย y เป็นกระลานะก็ไว้หน้าบ้านกันหลายหลายบ้านนะบางทีเคยเดินเดินแล้วก็ยังหิวน้ําเนี่ยก็สมัยก่อนไม่เคยมีน้ําขวดขายหรอกน้ําสิงน้ําขวดไม่เคยมีนลก็อาศัยน้ําตามหน้าบ้านคนนี่แหละ <c oughs> ดื่มเลยไม่รู้ไม่ล้างถ้วยล้างนะดื่มเลยโอ้มีความสุขน้ําเย็นเนาะไปไหนคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะ หรือบางทีสมัยก่อนก็กเรียกว่าเวลาช่วงทํานาก็มีพิธีลงแขกนะประเพณีลงแขกก็คือในช่วงที่เก็บเกี่ยวได้เนี่ยก็จะมีชาวบ้า น, นในหมู่บ้านกันบ้านใกล้เคียงกันเนาะประเพณีสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นการลงแขกเกี่ยวข้าวกันนะก็เรียกว่าช่วยกันทุกคน แต่ประเพณีเช่นนั้นเดี๋ยวนี้ก็หายไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าต้องจ้างนะต้องจ้างนี่แพงมากกว่าจ้างฝีมือธรรมดาอีกนะเพราะกลายเป็นว่าแพงไปนะเนี่ยเพราะนั้นสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปจากการที่เรามีน้ำจิตน้ำใจต่อกันนะอย่างสมัยก่อนนี่ถ้าเป็นคนในหมู่บ้านกันนี่รู้จักกันหมดเลยทั้งหมู่บ้านนะหัวบ้านท้ายบ้านนี่รู้หมดใครแต่งงาน ใครออกลูกนะใครตายหรือใครเจ็บป่วยก็รู้กันทั้งหมู่บ้านก็ไปช่วยเหลือกันนะทั้งหมู่บ้านเลยน ะ, ะเวลาโจรผู้รายเข้ามาก็ช่วยกันทั้งหมู่บ้านโจรผู้ร้ายก็เข้ามาลำบากน ะ, ะตรงค่ำทุกวันในี้บางทีบ้านติดกันก็ไม่รู้จักกันนะไม่รู้จกักเออไม่เคยคุยกันบ้านติดกันไม่เคยคุยกันเลยบางทีโจรเข้าบ้านก็ไม่รู้ด้วยว่าโจรเข้าบ้านไม่มีใครช่วยดูแลกันขนของไปทั้งบ้านก็ไม่มีใครดูแล ตรงนี้มันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่ตามมาใช่ไหมอันนี้ก็แสดงว่ามันเป็นความเจริญทางวัตถุอืทุกวันนี้วัตถุในเจริญมากอืแต่จิตใจคนก็ต่ําลงเรื่อยๆนะอ่ามันก็เป็นสิ่งที่ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้แล้วก็คนทุกวันนี้ก็ถือทิฐินะมีอะไรก็ไม่ยอมกันนะต่างคนต่างไม่ยอมกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า อทําทําให้เกิดความเสียหายกับส่วนรวมตามมานะตรงนี้นะถ้าหากว่าคนเราจริงๆแล้วไม่ต้องมากแค่เรามีศีลท่าเท่านั้นเองนะสังคมก็สงบสุขแล้วเ ร, เราก็จะไม่เบียดเบียนกันนะเราก็ไม่ไม่ทำร้ายจิตใจกันไม่ทําร้ายร่างกายกันตรงนี้สังคมก็มีความสงบสุขนะเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงยิ่งจเจริญมากจิตใจของคนก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆนะ ครั้นี้ที่เรามาพัฒ น, นาก็คือพัฒ น, นาจิตใจเรานี่นี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญนะเหมือนกับที่ประเทศภูฐานนะภูภูฐานก็ไม่เคยไปหรอกนะแต่ก็มีคนเล่าให้ฟังอาจารย์สรงศิลป์ก็เคยไปมาแล้วนะก็ที่ฟังดูก็เป็นประเทศที่มีความสงบมีความเป็นการรักษาอาริยธรรมนะก็คือสิ่งดีๆเอาไว้นะสิ่งดีๆประเภทนี้ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีๆเขาก็รักษาไว้ได้แล้วก็มีการสำรวจว่าประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศไหนแต่รู้สึกว่าจะเป็นผู้ผฐานอยู่ในระดับต้นๆของโลกเลยนะทั้งๆนี้ก็ไม่ได้มีความเจริญทางวัตถุมากมายไม่ได้มีแสงสีหรือว่าต้องมีมหรศพนะมีห้างใหญ่ๆนะหรือว่ามีสถานที่บันเทิงใหญ่ๆมีไนท์คลับมีบาร์ มีอะไรที่เป็นการสนองกิเลสมากมายก็รู้สึกจะไม่เคยมีนะแต่ว่ากลับมีความสุขมากที่สุดในโลกนะแต่ประเทศที่มีวัตถุต่างๆมากมายนะก็กลายเป็นว่ามีความสุขน้อยมากในโลกนะมันก็ตกกันข้ามกันเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นว่าเออจริงๆแล้วมันโลกในยิ่งพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆมันก็ไปแสลงหวงหาทางวัตถุเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าจิตใจเราก็พลอยเสื่อมซานไปด้วยนะ แล้วก็คนที่แสวงหาวัตถุมากๆเนี่ยพอผิดหวังก็จะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์มากนะก็ฆ่าตัวตายกันเยอะนะอย่างประเทศญี่ปุ่นหรืออเมริกาเนี่ยญี่ปุ่นนี่ก็ฆ่าตัวตายปีละสามหมื่นกว่าคนนะคนที่ฆ่าตายนี่ก็หลายๆคนก็เป็นคนที่ร่ำรวยนะน่าจะเป็นคนร่ำรวยมากอ่าหลายๆคนด้วยเพราะว่าเขามีความผิดหวังต่างๆในการที่เรียกว่าค่าขายและขัดทุนบ้าง หรือว่าธุร ก, กิจเสียหายบ้างแต่จริงๆก็ถือว่ารวยวคนทั่วๆไปแล้วแหะแต่ก็ทําใจไม่ได้ในส่วนที่เสียไปเนี่ยเขาก็มีความทุกข์แล้วก็ไปฆ่าตัวตายกันนะเพิ่พมความเจริญของวัตถุนี่เป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับโลกมนุษย์นี่เป็นอย่างยิ่งถ้าเราย้อนไปในอดีตแล้วก็อยู่กับป่ากับเขากับธรรมชาติต่างๆนะอยู่กับสภาพวาแวดล้อมเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนทำให้จิตใจของเราเนี่ยเยือกเย็นสงบลง นะมันก็มีการที่จะสงบได้ง่ายนะมันที่พระอาจารย์ใบซารเราเมื่อไม่กี่วันมานี้ช่วงปีใหม่นั่นแหละท่านบอกว่าท่านไปอยู่ที่อ่าที่เกาะ อ, อ่าที่อยู่ภาคใต้นะอยู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะแล้วก็ไม่มีสถานบันเทิงอะไรหกโมงเย็นก็มืดกันหมดแล้วไม่มีร้านค้าใดๆร้านอาหารก็ยังไม่มีเลยนะเป็นธรรมชาติจริงๆนะเราจิตใจท่านก็ได้สัมผัสความสงบจริงๆในตรงนั้น ถ้าบอกว่าโชคดีมากดีกว่าไปเที่ยวที่อื่นนะเกิดความสงบขึ้นมาในตรงนั้นแล้วท่านก็เห็นว่าเออตรงนี้เป็นสิ่งท่านสามารถที่จะมาพัฒนาในการไปบวชได้นะก็เป็นความสงบนั้นเมื่อมีมีอยู่กับความสงบตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะบวชได้นะแต่ถ้าใครอยู่กับความสงบตรงนั้นไม่ได้ก็อาจจะบวชไม่ได้นะอืเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไปอยู่ในที่สงบท่านก็เลยเกิดความสงบในใจขึ้นมานะความสงบในใจนี่เป็นสิ่งสําคัญเนาะ มันจะต่างกับว่าเราไปอยู่ในที่สงบแล้วเราเหงาแล้วบางคนอยู่ที่สงบแล้วเหงาก็มีอยู่ที่สงบแล้วฟุ้งซ่านก็มีนะอก็อยากจะหาที่สนุกสนานก็ฟุ้งซ่านไปหรืออยู่ในที่สงบแล้วเนี่ยก็อยากจะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้มันไม่สงบจะได้อยู่ได้ต้องหางานทําตัวอย่างหนึ่งนนี่ก็แสดงว่ายังไม่สงบะแต่อยู่สงบก็คือสามารถอยู่กับความสงบได้ไม่ต้องทำอะไรก็อยู่ได้ ไม่ต้องไปกระทบลูกรถกินเสียงก็อยู่ได้นะอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นความสงบจริงๆเพราะในย้อหลังไปเช่นนี้นัก็จะพบว่าเพราะเหตุใดคนสมัยพุทธกาลนะทำไมปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลเร็วนะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ง่ายบรรลุการทำกันมากมายเพราะในสมัยนั้นก็ไม่มีสิ่งปุงแต่งเยอะนะก็มีแต่ธรรมชาติเป็นหลัก มีป่าไม้มีภูเขามีลาําธารนะเสียงต่างเป็นสภาพธรรมชาติจริงๆนะไม่ได้ไปปรุงแต่งมากมายนะแต่ตรงกันข้ามกับสมัยนี้นะสมัยนี้ก็มีทุกอย่างให้เราสามารถปรุงแต่งได้นะไม่ว่าทาั้งตาหูจมลิ้นกายใจนะมีทั้งคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์นี่ก็ปรุงแต่งเยอะเลยนะใครยิ่งใช้คอมพิวเตอร์เก่งนะ จะแสวงหาทุกอย่างได้เลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้อไปเข้าห้องสมุดประชาชนอะไรหรือเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแล้วก็เปิดดูในคอมพิวเตอร์นั่นแหละาหาทุกอย่างข้อมูลหาได้หมดนะมีความสะดวกสบายมากนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ในความดีนะั่นก็มีเป็นดาบสองคมนะถ้าเราใช้ามากเกินไปนะมันก็ทําให้เร า, อ, าอยู่กับคอมพิวเตอร์นานนะบางคนอยู่ต้อง5้าหชั่วโมง หรืออยู่เป็นวันๆก็มีนะมันก็กลายเป็นไปติดไปยึดในตรงนั้นนะมันก็กลายว่าเราไม่อาจจะอยู่กับตัวเองได้นะมันก็กลายว่าเราให้เวลาของเราไปกับส่วนอื่นนะซึ่งจริงๆในสมัยพุทธกาลก็ไม่เห็นมีใครมีคอมพิวเตอร์ท่านก็อยู่ของท่านได้นะแต่สมัยนี้ก็ต้องมีกันนะโทรศัพท์มือถือนี่ก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะใครอยู่มือถือบางทีก็เห็นเล่นทั้งวันเล่นอินเทอร์เน็ตก็ได้เล่นเกมก็ได้ แชทก็ได้อะไรลายกัน Facebook อะไรกันทั้งวันนะมันก็ทําให้เราเสียเวลาไปนะสิ่งบันเทิงต่างๆมากมายหนัง เ, เพลงอะไรเด่นๆเยอะแยะนะม้แต่ความปรุงแต่งในเรื่องกีฬาก็เยอะนะใครติดตามกีฬาก็คอยติดตามว่าตอนนี้เราจะได้กี่เหรียนทองนะหรือชนะไหมหรือแพ้ไหมคนที่เราชอบเรากําลังเชียร์อาจจะชนะไหมหรือแพ้อะไรเนี่ย ก็เป็นการที่เรียกว่าไปปรุงแต่งทั้งนั้นหรือแม้แต่สถานที่ต่างๆก็ปรุงแต่งกันเยอะเราต้องแข่งกันมีรถยนต์กันรถยนต์เราเป็นรถญี่ปุ่นสู้ก็ไม่ได้ต้องหารถยุโรปมาน ะ, ะหรือแม้แต่สิ่งต่างๆก็ต้องแข่งทุกอย่างนะนาฬิกากระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าทรงผมการแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้ว หรือการเสริมสวยทุกอย่างก็แข่งกันหมดจริงๆพวกนี้คือความปรุงแต่งหมดเลยแต่เราก็ไม่รู้นะเราก็ไปหลงในตรงนั้นเนะี่ยเพราะว่าวันเราจะเห็นวันๆหนึงเราไปเสียลาในพวกปรุงแต่งในเยอะมากซึ่งผิดกับสมัยพุทธกาลนะสมัยพุทธกาลก็คงไม่มีสิ่งเหล่านี้หรอกเพราะวันๆหนึงก็สามารถที่จะไม่ปรุงแต่งน้อยปรุงแต่งก็น้อยลงนะแล้วก็มีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นอยู่กับความสงบจริงๆกับธรรมชาติได้มากขึ้น พรโดยพื้นฐานของคนสมัยพุทธกาลนี่เขาไม่ปรุงแต่งอยู่แล้วปรุงแต่งน้อยอยู่แล้วนะแล้วก็ธรรมะก็อาจจะรับฟังจากผู้เจ้าโดยตรงหรือฟังจากภาษาบอกนะซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็มีนะหรือถ้าไม่ได้ฟังจากระดับนั้นก็อาจจะฟังต่อๆกันมาแต่ว่าการเป็นการฟังที่มันก็ต้นฉบับเนะ้าเรียกว่าออริจินอลนะซึ่งมันใกล้เคียงความจริงมากเขาก็บรรลุธรรมได้เร็วนะซึ่งไ ม, ไม่ได้ว่าสมัยนี้อาจจะมีการ อาจจะไม่ตรงเหมือนกับสมัยก่อนนะเพราะว่าล่วงมา2องพันกว่าปีไม่รู้คําสอนในยุคนั้นกับยุคนี้อาจจะตรงกันร้อยเปอร์เซนไหมหรือครูบาอาจารย์ถ่ายทอดตรงกันไหมอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนที่ทําให้เราไม่ตรงกับอของเดิมทีเดียวนะอาจจะทําให้เราลวกวนไปนะเพราะนั้นมันก็เลยต่างกันเยอะนะเพราะในเราจึงไม่สงสัยว่าทํำไมเพื่อการนี้บรรลุทําได้เร็วนะแล้วอีกประการหนึ่งนะ ก็เกิดจากว่าคําสอนของพระเจ้าเนี่ยท่านก็แสดงไว้หลายเรื่างนะในเรื่องเริ่มตั้งแต่ที่ธรรมจักรกับประพุทธสูตรนี่ก็เป็นสูตรที่สําคัญที่สุดนะก็เรียกว่าเป็นการแสดงอริย ส, สัจสี่ว่าทุกสมุทยัยในโลดมรรคทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้สมุทัยเป็นสิ่งต้องละในโลดเป็นสิ่งต้องทําให้แจ้งมรรคเป็นสิ่งต้องทําให้เกิดเนียอริยสัจสีนี่ก็ถือว่าสําคัญมากนะท่านบุได เข้าถึงอเ ล, ส, อลสัส4นะี่ก็จะเห็นสภาวะตามความเป็นจริงที่ว่าเมื่อไปบัติธรรมแล้วนะก็จะสามารถที่จะเข้าถึงนิโรธไดนะ้ในตรงนั้นนะนะคราวนี้กา ร, รบัตรทำเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้เข้มแข็งไหมมีความเพียรพอไหมนะเพราะฉะนั้นในยุคพุทธกาลนี่เมื่อไม่มีการปรุงแต่งอะไรเยอะเขาก็มีเวลาเยอะนะแต่สมัยนี้แค่อยู่กับคอมพิวเตอร์ก็5 6ชั่วโมงไปแล้วอยู่กับโทรศัพท์ อยู่กับการฟังเพลงอยู่กับการแต่งตัวก็หมดเวลาไปนะเราก็เห็นว่าเออเวลามันก็ต่างกันนะพอในการที่จะบัดตามมรคเนี่ยก็น้อยนะเพราะเราก็ส่วนหนึ่งพอเราเข้าใจในตรงนั้นแล้วก็มาอยู่วัดซะเลยจะได้ไม่ต้องไปปรุงแต่งเยอะวัดก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีหนังอะไรให้เราดูไม่มีเครื่องบันเทิงให้เราไปติดในตรงนั้นนะแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราต้องไปโชว์เครื่องประดับ นะเครื่องแต่งตัวสวยงามก็ไม่ได้โชว์ เ, เราก็ไม่ได้เสียเวลาไปปรุงแต่ง เ, เวลาเรามาอยู่วัดก็ทําให้เรามีเวล า, อ, าอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นมีเวลาปฏิบัติมากขึ้นนั่นก็คือประโยชน์ของการมาอยู่วัดแล้วพอมาอยู่วัดนี่เราก็ได้อยู่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากขึ้นด้วยนะมีโอกาสอยู่กับกับป่ากับเขากับธรรมชาตินี่ก็เป็นทำให้จิตใจเราอ่อนโยนลงนะเหมือนกับอาจารย์เผยารไปอยู่ที่เกานะนั่นแหละ ก็ไม่มีโอกาสเหมือนกับทำให้จิตเนี่ยสงบได้ง่ายขึ้น น, นี่ก็เป็นประโยชน์ที่ในการมาอยู่วัดอเราจะได้เจริญมรรคได้ง่ายขึ้นนะคราวนี้เมื่ออจากพระธรรมจักรไปแล้วเนี่ยแสดงธรรมจักรจบไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าพระยาุรัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ได้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดาท่านก็เลยบรรลุเป็นพระโสดาบันก็เป็นพระ องแรกอ่าก็ท่านก็เมื่อเข้าใจแล้วก็เลยขอบวชก็เลยเป็นพระภิกษุองคง์แรกในภูสานาอ่ก็เลยคบพระละตะไร์ก็คือพระพุทธธรรมประสงค์จากการที่แสดงธรรมจักนั่นเองนะแต่ว่าทั้งห้าองค์ก็ยังไม่บรรลุเป็นพระรหันต์ต่อมาพระเจ้าก็ได้ทรงแสด ง, สดงอนัตตลกนัสูตรอีกอ่าเมื่อแสดงจบแล้วอ่าพระปเจวัคีทั้งห้าก็บรรลุเป็นพระรหันต์หมดเลยนะครั้นี้ หน้าตลาลักษณะสูตรเนี่ถือว่าเป็นสูตรที่สําคัญรองลงมาแต่ถือเป็นสูตรที่สําคัญมากเลยเพราะเป็นสูตรที่เรียกว่าเป็นการแสดงศัจธรรมนะตรงนี้เน้นเลยว่าเป็นศัจธรรมคําว่าสัจธรรมนี่มันต่างกับศาสนาอื่นนะเป็นอย่างยิ่งนะเพราะยังศาสนาต่างๆนี่แหละศาสนาทุกๆศาสนานี่จะเป็นการเรียกว่าให้ความเคารพให้ความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเป็นความเคารพในตรงนั้นแล้วเนี่ยก็คือทุกคนก็มุ่งในความปฏิบัติเพื่อพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ตัดเอาไว้น ะ, ะในการที่จะให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างน ะ, ะเช่นในการช่วยเหลื อ, อคนอื่นนะมีการช่วยเหลือคนอื่นเป็นหลักแล้วก็ให้มีความเมตตามีความรักแล้วก็ไม่ไมประพฤติผิดในศีลต่างๆมีความเข้มงวดต่างๆ ต, ต, ตามศาสนาะแต่ศาสนาไป อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าทําให้คนก็มีความสุขได้และเมื่อตายไปแล้วก็สามารถไปขึ้นสวรรค์ได้นะก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าพุทธศาสนานี่ต่างกันนะพุทธศาสนาจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นศาสนาก็ได้แต่ว่าอาจจะถือว่าเป็นสัาธรรมนะสนาธรรมก็คือศาสรรนาใหญ่ว่าศาสนาศาสนาเป็นความเชื่อของกลุ่มคนเท่านั้นเองแต่ศาสนาธรรมนี่ก็คือเป็นความจริงของโลกเลยนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าสายธรรมนี้นะ่ะคือความจริงนั่นเองใคยัลีกนี้นนะไม่พ้นนะไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆนะผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่อ่านะหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนตกในกฎพระอ่ากฎแห่งสายธรรมนี้ทั้งสิ้นเลยนะสายธรรมนี้ก็คือพระไตรลักษณ์นั่นเองนะพระไตรลักษณ์นี่ก็มีแสดงอยู่ในอนัตตลกนาสูตรนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นสูตรนี้จึงเป็นสูตรที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะ คันนี้ในรัตนสูตรเนี่ยก็มียาวคันนี้ก็สามารถสูดได้สันส้นๆอย่างนี้ว่าพระเจ้าก็ได้ถามพระปัญจวิคีถามว่าดูกมภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือขันธ์ห้านี่แหละเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ควรหรือจะคิดตามคิดว่าสิ่งนะั้นเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นนั้นพระเจ้าข่าแล้วก็ทรงแยกแยะไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันหานี้มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น h, อ น, นัตตาอย่างไรน ะ, อะพอแยกแยะไปแล้วจบในการแสดงธรรมปรากฏว่าปัญญาขีนี้บรัรลุเป็นพระรหันต์ทั้งหมดเลย เพระนสูตนี้ก็จึงมีความสําคัญไปอย่างยิ่ยงนะอมเมื่อแสดงจบแล้วก็บรรลุเป็นพระรหัะเพราะว่ า, าปัญจวคีนี้จริงๆว่าคนทั่วๆไปนะ่าละทุกคนก็มีความเข้าใจในความเป็นตัวเป็นตนของเรานะก็คือเราเกิดมาก็คือเป็นตัวของตนเป็นตัวตนของเราเนี่ยแหละไม่มีใครคิดว่าไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราหรอกตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะอ ถ้าเราไม่ได้ฟังคําสอนของพระเจ้าแล้วทุกคนนะไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆก็แล้วแต่ก็คิดแน่นอนเลยว่าเป็นตัวเป็นตนของเราร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นของเราแน่นอนแต่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือกาย ใ, ใจไม่ใตัวไม่ตนนะถ้าเราเข้าใจในตรงเนี้เราจะบรรลุธรรมง่ายที่สุดเลยนะพระพเจ้าไม่ได้บอกว่าฏปบัติเพื่อการละอัตตาตัวตน แต่ตัวตนนั้นไม่มีตัณะตนแล้วนะไม่มีตัณฑตนแล้วอแต่เราไม่เข้าใจเราก็เลยไปบัติเพื่อละตัวตนก็แสดงว่าตัวตนมันมีอยู่แล้วเราก็มาละเขานะอันนี้มันก็เลยชักช้าตรงนี้แล้วมันจะละได้ไหมนะมันก็จริงจริงมันก็ละไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจว่าตัวตนไม่ใช่ของเราแต่เราไปคอยละเขาก็แสดงว่าเรามีตัวตนอยู่แล้วเราก็ไปคอยละเขาแต่ว่าเขาไม่มีตัณฑตนแล้วนะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจในตรงนี้อ่า ว่าตัวตนไม่มีตัณตนแล้วก็คือกายและใจไม่มีไม่ใช่ของเราตัณหตนแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับใจก็คืออาการของใจนะเช่นอารมณ์ต่างๆนะความรักความโลภความโกรธความหลงนะอารมณ์ทั้งหลายแหลจึงเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเรานะเนะพราะว่าใจไม่ใช่ของเราแล้วสิ่งที่เกิดจากใจก็คือไม่ใช่เราด้วยเพราะนั้นนะ ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจึงไม่ต้องไปละอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่าไม่ใช่ของเราอยู่แล้วไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นแล้วนะถึงแม้ความโกรธจะเกิดข mm. uh> ึ้นก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วก็เป็นแค่ของใจเท่านั้นเองนะเพราะเราจะไปละความโกรธมันจึงละไม่ได้นะมันไม่ใช่เราต้องไปละเขาแต่ว่ามันไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะถ้าเราเข้าใจนี้มันก็ปฏิบัติทําง่ายขึ้นมากเลยเราเพียงแต่รู้ว่าเขาเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะ แล้วเขาก็จากไปนะเขากเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วเขาเขาก็จากไปตามเหต Ö, ุตามปัจจัยเท่า <isan> sure. right นั้นเองนะมันจึงไม่ให้ตัวแมตตนของเรานะอันนี้มันยังกลายเป็นว่าเราสามารถที่จะอยู่กับกิเลสต่างๆได้นะโดยที่เราไม่ได้ไปยึดในตรงนั้นแต่เมื่อเขาเกิดขึ้นเขาก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ว่าเขาเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็าก็ดับตามเหตุตามปัจจัย เพราะนั้นเราจึงกลายเป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้เป็นเราก็กลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่นะเข้ามาก็เป็นแค่แขกแล้วเขาก็จากไปเขาก็ไม่ได้อยู่กับเรานานเขาเป็นความแปรปรวนเป็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราเข้าใจางนี้เราก็จะเห็นว่าเออเราไปบัตรมาต้องหลายปีแล้วทําไมเรายังมีความโกรธอยู่ทําไมเรายังมีความฟุ้งซ่านมีความรักความชังก็เพราะว่าเขาก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย เขาไม่ใช่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาเขาไม่ได้หลอกนะแต่ว่าเขามีมีตามเหตุตามปัจจัยแล้วเขาก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เรารักเราชังไม่ใช่เราพุ่งสร้างนะถ้าเราเข้าใจนี้มันก็กลายว่าเรากลายเป็นผู้ดูไปแล้วก็ไม่ไปทุกข์กับกิเลสทั้งหลายแหลนะอแต่เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่กับเรานะเขาก็ไปของเขาเองไปของเขาเองเลยนะมันไม่เกี่ยวข้องกันนะแล้วจากการที่เขาไปบ่อยๆนะ ก็กลายว่าเราก็จะมีกิเลสต่างๆเรานั้นน้อยลงหรือปรากฏในใจเราน้อยลงเหมือนกับถ้าเขาเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไปให้ค่าเขาว่าเป็นของเราเออเราโกรธนะอ่าคือการให้ค่าปุ๊บนี่เราก็จะทุกข์นานก็ไปวนในความคิดก็คือเราไปไปเชื้อเชิญเขาอยู่ในใจเรานั่นแหละไปเลี้ยงดูปูเสือแขบนะเลี้ยงดูปูปูเสือแขร์เขาก็มาเยี่ยมเราบา่อยๆเขาก็ไม่อยากจะไปก็อยู่กับเรานานนะแต่ถ้าเราไม่เลี้ยงดูปูเสือเขาเขาก็มาแล้วก็ไป แต่พอเราไม่เรื่องดูปูเสือเขาเรื่อยๆ เ, เขาก็ไม่ค่อยอยากมาเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปให้ค่ากอารมทั้งหลายเขาก็ไม่ค่อยอยากมาหรือเขาอาจจะหมดไปเลยก็ได้เนี่ยถ้าเราเข้าใจนี่เราก็ไม่ทุกข์แล้วเนาะเออมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วนี่เราก็กลายเป็นผู้ดูไปจริงๆนะมันก็กลายเป็นว่าเป็นการรู้เฉยๆก็เป็นการสักแต่ว่าไปจิตใจเราก็สามารถอยู่กับอาการขึ้นขึ้นลงๆของจิตได้เราก็ไม่ทุกข์กับเขาแล้วนะ เราอาจจะสรุปไปเลยว่าเออของเขาเองก็ได้นะออมันก็เป็นของเขาเองไม่ใช่ของเราอาการทั้งหลายจิตก็เป็นของเขาเองนะไม่ใช่ของเราหรอกเราก็แค่เป็นผู้ดูไปเฉย ๆ, ๆเนี่ยแล้วก็เลยออกจากความทุกข์ได้อย่างรวดเร็วจิตก็เลยวางสภาวะธรรมต่างๆได้อย่างเร็วนะพอเราเข้าใจตรงนี้มันก็ปล่อยวางได้หมดเหมือนกับที่พระอาจารย์เบสันนะก็บอกว่าที่วันนั้นก็มีการสวดบทอนั้น นัตตลักษณ์สูตรท่านก็สรุปไว้ตอนหลังว่าอนัตตลักษณ์สูตรแล้วแหละพอพระเจ้าแสดงในเรื่องออนัตตลักษณ์สูตรว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ให้ตัวไม่ให้ตนปัญญาคิดได้ฟังก็เกิดการปล่อยวางพอ า, พาล่อยวางปุ๊บก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้หมดเลยเพราะว่าเมื่อจิตเข้าใจในความเป็นจริงแล้วว่าไม่ตัวไม่ตนจิตก็จะปล่อยวางนั่เองนะปล่อยวางปุ๊บมันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยนะ แต่นี้ถ้าเรายังปล่อยวางไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะเราก็รู้ไปดูไปเรื่อยๆนะเราก็สรุปไปเรื่อยๆสรุปเรื่อยๆจิตมันก็ค่อยๆเข้าใจเองในสุดเขาก็เมื่อเข้าใจเต็มที่แล้วเขาก็ปล่อยของเขาเองได้ปล่อยวางได้หมดเลยนะถึงปล่อยไม่ได้หมดเขาก็น้อยลงแล้วละปล่อยเขาก็สามารถยึดติดน้อยลงแล้วแต่ปล่อยค่อยๆปล่อยไปทีเล็กทีน้อยแต่ในที่สุดเมื่อจิตสรุปได้ตัวของเขาเองแล้ว จีสรุปในตัวเขาเองปุ๊บปล่อยลหมดเลยนะปล่อยได้หมดเลยนะตรงนี้มันก็พนทุกข์ได้จริงๆเนาะเพราะนั้นอันนี้ก็คือถ้าเราไปบัตรตามักแปนะมักแปก็คือไปบัตรด้วยศีลสติสมาธิปัญญาก็เพื่อให้เราเห็นปัจจัยรักณนั่นเองเห็นปัจจยลักณ์ในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเมื่อเราเห็นบ่อยๆเห็นซ้ําเห็นซากเห็นเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเราก็จะเข้าใจความจริงว่าเข้ามาแล้วก็ไป มันไม่มีสาระกันสารอะไรมันไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันก็จิตก็ค่อยๆปล่อยค่อยวางของเขาเองนะอนี่ก็เป็นการปฏิบัติตามอมรรคแดแล้วก็เพื่อเห็นว่าไตรักนั่นเองเนาะเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมในตรงนี้ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจระดับไหนแต่ในสมัยพุทธกาลนั้นพระสาวกหลายองค์ที่บรรลุปเป็นพระอรหั์จะสังเกตว่าท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรม มาก่อนก็หลายหลายองค์นะอย่างพระยาศากุลบุตรนี่แหละอ่าอันนี้ก็เข้าใจว่าท่านคงไม่ได้ไปฏิบัติธรรมมาก่อนแล้วนะก็ตื่อมาตอนเช้าอพบสภาพที่ยังวุ่นวายแล้วนกะ็บอกว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องเนาะพอเจอพระเจ้าท่านได้ฟังธรรมครั้งแรกก็บรรลุเป็นพระโสดาบันฟังครั้งที่สองก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติธรรมแต่เกิดจากการฟังแล้วก็เข้าใจนะหรือไม่จากจากสาวกด้วยกันนะตอนนั้นก็อ่า พระสารีบุตรแล้วก็ไปพบพระอัชชีเห็นมีความกดงามมีความสำรวมก็ขอฟังธรรมพระอัชชีก็แสดงธรรมให้ฟังพระสารีบุตรก็บรรลุเป็นพระโสดาบันครั้นี้พระโสดพระสารีบุตรกลับมาที่สํานักพระโมคคะเห็นพระสารีบุตรเดินกลับมาหน้าตาผ่องใสก็ถามว่าวันนี้ทำไมหน้าตาผ่องใสมีอะไรดีหรือพระสารีบุตรก็แสดงธรรมที่ฟังจากพระอัชชีให้พระโมคคะฟังก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกัน อันนี้ก็เห็นว่าเกิดจากการฟังธรรมแท้เลยไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติธรรมหลอกแล้วจริงๆก็มีเยอะแยะมากมายที่เราเคยฟังเคยดูในพระไตรปิฎกนั่นแหละพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งนี้ก็มีประชาชนทั่วๆไปไม่จะเป็นชาวบ้านทั่วไ ป, ไปก็บรรลุธรรมกันเยอะแยะเป็นพระโสดาบ้าง บ, บ้างเป็นพระสกิทาบ้างพระนาคามีบ้างพระหล่อนบ้างเยอะแยะเลยนะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าที่พา อดีตชดินน ะ, ะสามพี่น้องกัสปะสามพี่น้องอนทีกัสปะอู่ลุกเวลากัสปะแล้วก็ขยะกัสปะเนี่ยไปที่กรุงราชาคฤห์ออตอนนั้นพระยาพิมพีสารก็พาชาวบ้านพาทหารพาข้าราชบริพารมาเฝ้าพระเจ้ามากมายเป็นพันๆพระเจ้าแสดงธรรมในครั้งนั้นก็บรรูปธรรมเป็นพันๆคนเหมือนกันนะ นี่เห็นว่าเนตรงนี้เป็นการฟังธรรมครั้งแรกซึ่งไม่ได้ไปฏิบัติมาก่อนแนะ่นอนเพราะพุทธาขึ้นเพื่อจะเกิดขึ้นมาในขณะนั้นเท่านั้นเองแต่ฟังธรรมนี้ก็บรรลุธรรมกันเป็นพันๆคนนะก็ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติธรรมแต่ก็เกิดจากการฟังและเข้าใจนะแล้วก็บรรลุธรรมนะคราวนี้เราตรงนี้มีหลักฐานไหมว่าฟังแล้วบรรลุธรรมได้ไหมก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกชื่อวิมุตติสูตร อยู่ในพระไตรวิฎกเล่มที่ 3.1 ของมหามกุฎราชของมหามกุฎราชวิทยายลายัยบอกว่าการบรรลุธรรมนี่มีอยู่5อย่างประการแรกเกิดจากการฟังธรรมเมื่อฟังแล้วเข้าใจก็บรรลุธรรมได้ประการที่2เกิดจากการแสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมแล้วเนี่ยเข้าใจก็บรรลุธรรมได้คือคนแสดงธรรมนั่นแหละบรรลุธรรมประการที่สเกิดจากการสาธยายธรรมก็คือ เอาที่คําสอนของพระพุทธเจ้านมาสายยายครั้งหนึ่งเหมือนกันที่เราสวดมนต์นี่แหละเอาพระสูตรมาสวดมนต์อ่าเมื่อเราสานิยายทำแล้วเกิดความเข้าใจก็บรรลุรมได้อ่ประการที่4นะี่ะเกิดจากการใครควรทำเมื่อใครควรทำแล้วอ่านะเมื่อเข้าใจก็บรรลุธทำได้อนะ่ประการที่5ก็เกิดจากการปฏิบัติธรรมนะเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วนะสามารถที่จะเห็นอริยสัจสี่นะเห็นพระไตรลักษณ์อนะ่เราก็บรรลุธทำได้เหมือนกันนะ เพรา ะ, ะการบรรลุธรรมก็มีอยู่5อย่างนัไม่ใช่ว่าไปปฏิธรรมแล้วบรรลุธรรมได้อย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่มาปรากฏในพระไตรปิฎกมากมายนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงเอาไว้แล้วนะว่าเราเข้าใจในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาได้ดีพอไหมนะถ้าเราเข้าใจแล้วแล้วเรายอมรับสภาวะความเป็นจริงตรงนี้เราจะพ้นจากความทุกข์อย่างรวดเร็วนะไม่ว่าจะในทางโลกและทางธรรมแล้วเราก็สามารถออกจากความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว แล้วเราก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระริ จ, จ, ะจะเจ้าได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเนา ะ, ะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้นะก็ขอรัตนาบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้พวกเราทุกท่านสามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วตลอดกาลนานเธอ